พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าพิสูจน์ดูแล้วไม่ต้องไปถามใคร อ้าวศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบสินี่วันนี้หนังสือเมื่อวานหลวงพ่อแจกจิตภาวนาสารธรรมจิตตภาวนาคือทางบริษัทสินสยามที่มาอยู่ที่นี่มั้งส่งมายังไม่ทันยังขาดอยู่ประมาณกี่ร้อยเล่มนะ่ะยังขาดอยู่ยังส่งมาไม่หมดเพราะงั้นขึ้นปกไม่ทัน แสดงว่าหลวงพ่อในแจกเร็วกว่าเหอนนะเพราะนั้นยังเหลืออยู่ถ้าใครได้แล้วเมื่อวานนีไม่ต้องเอานะแอ่อถ้าว่าผู้ใดยังไม่ได้ยังมีอยู่แต่ไม่มากแต่หนังสือหลายเล่มทาว่าพวกเรายังไม่ได้เล่มนี้ก็เอาเล่มนี้อีกก็ได้นะอุดมมงคลทมทำให้แจ้งพระนิพพานคือหนังสือเล่มนี้หลวงตาไปเยี่ยมวัดป่านาคำน้อยออพอไปเยี่ยมท่านกเทศ พอเทศปฏิติประต่ะตอนะพระก็เลยมาแกะเป็นตัวหนังสือออกมาก็รู้สึกว่าเผ็ดร้อนพอสมควรเนี่ยนะดวงตาไปเทศนะอันนี้หนังสือของหลวงพ่อหลวงพ่อนแนวทางเจริญจิตภาวนาเบื้องต้นที่หลวงพ่อเทศใน MP3 นะอันนี้มักคาสูแดนบริสุทธิ์อันนี้ของหลวงพ่อได้เทศใน MP3 ก็ถอดมาพิมพ์ เพราะนั้นถ้าท่านผู้ใดยังไม่ได้เล่มไหนก็ไปหยิบอาได้นะอยู่ที่น่นนะถ้าได้ถ้าได้แล้วก็ไม่เอาเอาไปแล้วไปเกะ ก, กาอยู่ที่บ้านเผยเอาไปช่างกิโลขายอีกต่างหาก <c oughs> <c oughs> าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงนะทำไมจึงว่าพูดจริงเพราะว่ามีลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยไปขายเนี่ย ไปขายของของเศษนะพวกถุงพลาติกพวกขวดพลาติกขวดแก้วคนอะไรนะ่ะจะต่อถึงเศษเหล็กกระดาษนะกระดาษหลวงพ่อก็เลยถามว่าเอ้ ย, อยที่ขายเศษของของเศษเศษนั้นนะ่ะเคยมีคนเอาอไปหนังสือธรรมะไปขายให้แม่ว่ามีครับก็จาเอามีหนังสืออะไร ประวัติหลวงปูมั่นแล้วอาจเนี่ อ, อปฏิปทาพุทธรงค์แต่ยังดีๆอยู่นะบางทีผมได้เก็บเอาไว้ไเขาไปขายเป็นเศษกระดาษไปโอ้หลวงพ่อได้ยินมันจะเทินใจตั้มเลยว่างั้นเโอ้โ ห, โ ห, โหนี่แหละคือผู้ทีเออ่เห็นไก่แจ้ไก่แจ้เห็นพลอยออสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งไม่ได้ก็ว่าหนังสือประวัติหลวงปูมั่นปฏิปทาทั้งเล่มนะ สู้เงินห้าสิบตะตังไม่ได้เหมงินเลย เ, เล่มหนึงจะเท่าไรใช่ไหมละ่ะอ๋อเอาไปขายนะนี่แหละหลวลงพ่อว่าโอ้เออพ่อแจกหนังสือมากๆแจกไปแจกไปหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะแต่ถ้าว่าไม่แจกหนังสือธรรมะก็ไม่รู้จะแจกอะไรอีกแี่ไหนฉันทาญาติโยมมาเนี่ยเมือ่อกลุ่พ่อหวางเพื่อไปอย่างนั้นนะ่ะ ถ้ามันตกอยู่ในที่ที่รุ่มที่ชุ่มชื้นนะมันก็งอกเงยขึ้นมาใช่ไหมถ้าเม็ดใดเป็ดเม็ดใดไปตกใส่ก้อนหินบ้างไปตกใส่ใบไม้บ้างไปตกใส่เก่งไม้เม็ดนั้นไปว่าเสี ย, เ ส, ยเสียมเสียเมล็ดข้าวเลยว่างั้นเพราะอะไรพ่อหลวงพ่อหวานไปศรัทธาญาติโยมเอาไปแล้วไม่ฟังแล ไ, ไม่ศึกษานะเอาไปก็ไปเทงเทงคว่า ง, า ง, างก็เสียดายเม็ดนั้นนะแต่ถ้าเอาไปแล้วศึกษาเอาไปฟังเอาไปอ่านโอ้มีประโยชน์ หนังสือเล่มนี้พออ่านดูแล้วเออได้เนื้อหาสาระดีนำมานาไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรมากนะถ้าร้อยคนเนี่ยได้สักหาคนนะตั้งอตั้งใจนะร้อยคนได้สักหาคนเนี่ยหลวงพ่อก็พอใจแล้วเหมาอนกนแต่ถ้าว่าร้อยทั้งร้อยเสียหายโอ้โหนั่นเสียเสียดายหนังสือ คนนั้นให้คณศสัตยาญาติโยมเนี่ยเอาไปแล้วไปอ่านเอาไปศึกษาถ้าเล่มไหนได้แล้วก็ไม่เอาถ้าเล่มไหนยังไม่ได้ก็เอารับไปเพื่อเอาไปอ่านเอาไปศึกษาเอเผื่อเล่มที่ไม่ได้ถ้าเล่มที่ได้แล้วก็ให้คนอื่นออกไปเนี่ยให้ไปหยิบก็ได้เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ วันนี้เป็นวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2559นะอ่วันที่27 28หลวงพ่อคงไม่ได้ขึ้นมาท่องไม่ได้มาสวนแสงธรรมถึงจะไม่ได้มาสวนแสงธรรมก็เถอดนะหลวงพ่อ ย, ยังเป็นห่วงอยู่ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะอาจจะเกิดขึ้นในสวนแสงธรรมเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองนะมาในคราวนี้ครั้งนี้ หลวงพ่อก็ได้รวบรวมจิตุปัจจัยทั้งไปเทศทั้งอะไรด้วยนะอหลวงพ่อก็ได้เนีเ่จะมอบให้สวนแสงธรรมไว้หนะึ่งแสนณวันนี้นะเอเพื่อว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดทำไม่ครบจำนวนกย็ยังได้แสนหนึ่งรองท้องไว้อยู่ใช่ไหม <laughs> ยังได้แสนหนึ่งรองท้องเพราะสวนแสงธรรมเราได้ใช้ปัจจัยมาก คุณชายท่านเป็นผู้บริหารอาจารย์จเจริญนรู้ดีเพราะนั้นเรื่องจกิดถปัจจัยค่าน้าค่าไฟค่าอะไรต่อมิอะไรหลายๆอย่างค่าซ่อมแซมเสนาชนะสำรุดุดโศมมันมีก๊อกน้ำถังน้ำเหล่านี้แหละมีมากเพราะว่าเราวัดขนาดนี้เราต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นหลวงพ่อมาแต่ละครั้งหลวงพ่อก็เป็นห่วงเหมือนกันนะ ถ้าหากว่ามาในวันนั้นวันทอดผ้าป่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ห่วงเพราะว่าหลวงพ่อรู้ว่าจะถุกปัจจัยเท่าไหร่แต่หลวงพ่อไม่ได้มาหลวงพ่อก็ฝากฝากไว้ก่อนเพื่อมันไม่พอหรือวันมันพอเกินมันน้อยไปก็ให้พวกเราได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นแหละเพราะนั้นวันนี้ก็เมื่อหลวงพ่อฉันจะหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะได้เดินทางกลับอุดอรนะคณะสัตย า, าญาณโยม หลวงไปทําธุระก่อนนะอพอไปทําธุระที่กรุงเทพซะก่อนพอเสร็จแลว้วก็คงจะตอนไบา่ายหลวงพ่อก็คงจะไปขึ้นเครื่องพอไปขึ้นเครื่องก็ยังไม่จบนะอพอไปขึ้นเครื่องลงอุดอรแล้วหลวงพ่อจะไปพักที่วัดท่านรัตนะรัตนองค์ที่สามเนี่ยที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนหลวงพ่อจะไปพักที่นั่นก่อนพระตอนเช้าตื่นเช้ามาหลวงพ่อจะได้มา เป็นประธานทอดผ้าป่าสามคีเพื่อหาทุนให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุดอร เ, mm hmm. เขาก็ไปหาหลวงพ่อเขาอยากจะได้ศาลาหอประชุมหอ้องขอประชุมยังไม่มันเล็กเกินไปหลวงพ่อนะีพวกผมอยากจะได้หอประชุมขอหลวงพ่อเป็นประธานในการทอดผ้าป่าด้วยเทินเขาว่าหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วก็อือ้อเอา หลวงพ่อเนี่ยอย่างที่เคยประกาศเคยบอกกล่าวให้คณะสัตยาติยมได้ฟังนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณะทาไมจึงว่าพระสาธ า, า, ารสาธารณะ yeah, พูดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับตลาดตลาดเกินไปนะแต่พูดอีกแนวหนึ่งถ้าเป็นชี้แจงให้ฟั่งสาธารณะคืออะไรเป็นสาธารณะชนของเป็นพระของทุกคนท้าวาทุกคนมีความเดือดร้อน อย่างโรงเรียนเขานักเรียนลูกหลานเขาเดือดร้อนอยากจะให้หลวงพ่อไปช่วยหลวงพ่อก็เออเอาเข้าไปไปรวบรวมจุดตุกจาใจบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมเขาก็มารวบรวมโดยมากก็ได้นะถ้าหลวงพ่อไปแล้วก็ได้ทางโรงพยาบาลหรือไปที่ไหนๆก็ได้ตามสมควรอยู่ตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่า หลวงพ่อพอที่จะไปช่วยเหลือเขาได้นะเขาเขามาในมณฑลไม่ใช่ว่าเขาคิดได้คิดในมนไม่ใช่นะเขาประชุมแล้วประชุมอีกจึงบากหน้าเข้ามามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อจะปฏิเสธเขาไปเลยก็อย่างไงอย่างไงฮะหลวงพ่อเอ อ, เ อ, อถ้าพอเป็นไปได้หลวงพ่อก็จะรับนะแต่หลวงพ่อไปที่ใดนะไปไม่ว่าไปนะัาสถานที่ใดหลวงพ่อไม่ใช่จะไปนะั่นะนะมีแต่ไปเอาไปให้นะโดยมากไ อ, อ จะได้ใช้อะไรบ้างนะอย่างไปตำรวจเมื่อคราวสองสาอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจอุดรสพมืองอุดรเาเขาเข า, เขาจัดเาได้รับคือสอพอเมืองเป็นเมืองใหญ่อุดรแต่มีสพเดียวเลยเนี่ยเป็นผู้รับคดีความมันล้นมันล้นมือเลยเขาก็เลยจับแบ่งแยกให้เป็นสพย่อยสอพม่วยหลวงห่วยลวหวยลวงก็คือนะ่ ของอำเภอเมืองอุดอรเ อ, อ, อ่อสพนาคารสพนวลสูงคืออยู่คนละมุมกันของเมืองอุดอรแต่เนี่พอตกมาแล้วเขาก็อนุญาตแต่ตกมาแล้วแตไม่มีที่ทํางานอันนี้ไม่มีที่ทํางา น, <c oughs> งา น, นผู้การจังหวัดเออหลวงพ่อแตผมอยากจะทอดภาพป่าอย่างน้อยก็ให้เป็นาหา เ, าเทศบาลที่เขาไปย้ายไปที่อื่น เก่าของเขานะ่ะเราควรจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ให้เป็นที่ทํางานของตํารวจชั่วงเขาไปก่อนเอแต่ผมอยากจะได้ชักล้านหนึ่งน่าจะพอสามสอพอท่านท่านก็สันโดษมือนกันนาะท้องการเพียงสถานีละสามแสนี่ยคงจะได้ไมั้งเอา้าหลวงพ่อไปเป็นประธานให้หลวงพ่อก็ได้ไปเป็นประธานให้ผลที่สุดทราบทราบข่าวอ่ะแต่ล้านหกนั่นแหละ เป็นร้านหแสนนะหลวงพ่อได้ยินนะก็เออเอาทําให้เกิดประโยชน์เนี่ยนี่แหละหลวงพ่อไปช่วยช่วยไม่ว่าตํารวจไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าโรงพยาบาลนะจึงหลวงพ่อจึงว่าเป็นพระสาธารณะเคยค่ายสาธารณะชนจุนกลุ่มไหนแต่หลวงพระโดยมากหลวงพ่อจะไปกลุ่มนี่แหละกลุ่มโรงเรียนแต่ไปบ้านคนไม่ไม่ค่อยได้ไปนะแตายาทโยม ถ้าใครไปทําบุญบ้านเออเอาพาลูกพาหลานไปก็แล้วกันนะพาลูกพาหลานไปแต่หลวงพ่อเนี่ยไปกลุ่มใหญ่ๆที่ว่ามีมีความจําเป็นหลวงพ่อจะไปช่วยจุดนั้นน่ะนี่ยละวันพุ่งนี้แหละวันนี้ก็ไป น, นอนที่อําเภอเพ็ญแล้วก็วันพุ่งนี้เช้าอหลวงพ่อจะไปทอดผ้าป่าที่วิทยาลัยเทคนิคอุดระ นี่และวัดอำเภอเพนนี่กัวัดท่านรัตนะออกมาจากวัดหลวงพ่อเนี่ยแหละมาปีปีสามี่ปีลมั้งเดี๋ยวนี้กําลังจะสร้างศาลาอ่าญาติโยมไปช่วยสร้างศ า, าลาแต่ทันรัตนาเนี่ยนะทำคุณูปการเกี่ยวกับหนังสือนะ เ, อเกี่ยวกับตรวจหนังสือห น, งอนังสือทุทกเล่มที่ออกมาอยู่มูลนิธิเสียงธรรมูลนิธิวิริยณศีลวั น, นโดยมากท่านรัตนะกับในช่างรถไฟ ในช่างวานิอพันพัธุวันในช่างวานิชกับคณะ อ, อ่านหนังสือตรงไหนเกิดประโยชน์ อ, อก็มาคัดอพอคัดออกมาแล้วก็ออกมาพิมพ์เป็นหนังสือเป็นเล่มออกมาแต่การคัดหนังสือนะั้นไม่ใช่ธรรมดานะ เ, าเหมือนกับเราไปเห็นวัวในฝูงนะเป็นร้อยเป็นพันนะ่อมันอยู่ในฝูงเนะ่ะวัวอยู่ในฝูงเป็นพันตัวนะ่ะ แล้วก็เราจะเป็นเลือกเอาตัวไหนเอามาออกม า, อาให้ข้าว่าตัวนี้โอ้ตัวนี้ลักษณะดีท่าทางดีมันเตะตาสีมันอะไรเข้าท่านพอออกมาแล้วออกมาเป็นออกมาอยู่ตามลําพังออกมาโยนโดดเดี่ยวโอ้ผู้ที่ได้เห็นเนโอ้โคตรนีทตาถึงว่ะสามารถที่แยกกัวออกจากฝูงสวยมากกัวตัวนี้นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะผู้ที่ไปแยกธรรมะ ทำคำสอนขององค์หลวงตาออกมาเนี่ยเอาคำนับเอาธรรมะตอนนี้ละเรื่องนี่ละ อ, ออกมาเอามาพิมพ์แล้วก็ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาคราวนี้ท่านจะเอาอะไรท่านจะเอาเรื่องสมถะวิธีการภาวนาเรื่องสมถกรรมฐา น, นและกับบวกทางวิปัสสนากรรมฐานด้วยาบางทีก็เรื่องทานบาั่งหนึ่งศีลบ้าง บางทีงงทก็ผสมผสานกันเรื่องภาวนาบ้างลักษณะอย่างงั้นนี่แหละที่พวกเราได้อ่านได้ศึกษาเพราะฉะนั้นหนังสือหลวงพ่อพิมพ์ทุกเล่มเนี่ยก็เป็นทุนของท่านองค์ขมวนตรีเนาะพี่น้องศรัทธายาติโยมนะท่านองค์คมวันตรีดร็อคเอร์ชายีหลวงพ่อเคยได้พูดในเล่าให้ฟังว่าหนังสือท่านบอกว่าอาคารเรียนเท่าก็บได้สร้างมามาก โรงเรียนก็ได้สร้างมามากโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์วัดวาศาสนาสาขาศาลาอาคารท่านก็ได้สร้างมากแล้วแต่เรื่องธรรมะทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์อย่างน้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นผมขอจะผมทําขอพิ ม, รรมพ์ธรรมะเผยแผร่ธรรมะทำคำสอนแต่ผมจะเน้นสี่พระองค์หนึ่งทำคำสอนหลวงปู่มั่น องค์ที่สองทำคาสอนของหลวงปู่ขาวองค์ที่สทําคําสองสอนองค์หลวงตามหาบัวองค์ที่สี่ทำคำสอนส่งสอนของของหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาผมจะเน้นสองค์กรเอาทําคําสอนของท่านออกมาประกาศเผยแพร่ให้พี่น้องสาธารณชนได้ศึกษ า, าผมได้อ่านดูแล้วสาระทำคำสอนของท่านจะมีประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนผู้ใฝ่ในการศึกษาท่านเน้นสีองค์นะแต่ก็มีคนถามว่าธรรมเทศนาหรือว่า m อ3สของหลวงพ่ออินล่ะจะให้พิมพ์จะให้ทำด้วยไหมหลวงท่านก็บอกว่าเอออันนั้นอยู่ในอวยใช่ไหนะออจะทำเท่าไหร่ก็ได้อยู่ในอวยเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยพิมพท่านหนังสือหลวงพ่อด้วยแล้วก็ m p สาของหลวงพ่อด้วยนะ อ, อ, อันนั้นใครแบบแถมของแถมที่ท่านมีจุดประสงค์เนี่ยอันนี้แหละเล่าเล่าเล่าให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อจึงมีหนังสือออกมาแจกอยู่เรื่อยนี่แหละเป็นทุทนทรัพย์ของท่านสนะศรัทธาญาติโยมถ้าเมื่อพวกเราได้อ่านได้ศึกษาได้เข้าใจธรรมะธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ น, นะ่ะให้ออหมอบ บุญมอบกุศลเออถาวายบุญกุศลให้กับผู้เจ้าของออกทุนด้วยเนอร์ในคิดนนะให้เจริญด้วยธรรมขอให้ท่านดวงตาเห็นธรรมเออถ้าหาว่าท่านดวงตาเห็นธรรมแล้วมีท่านมีสุขค่ะพราไามัยร่างกายแข็งแรงเออมีความสุขความเจริญเนอร์เออให้พวกเราน้อมจิตให้บุญกุศลสำหรับท่านนะเอ่ผู้ที่เสียสละทุนนะครับ เพื่อพิมพ์หนังสือแยกเป็นธรรมทานแต่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าท่านก็ บ, บอกไว้แล้วกล่าวไว้แล้วว่าให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง เ, เป็นมีพระบาลีด้วยนะแต่หลวงพ่อไม่กล่าวพระบาลีกล่าวแต่กล่าวแต่คําแปลออกมาแล้วว่าการการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือว่าธรรมะเป็นทานใครก็ชี้นําชี้แนะ แนวในแนวทางที่ถูกต้อง เ, อเป็นธรรม เ, เมื่อเรานำไปประพฤติธปฏธิบัติแล้วจิตใจเข้าสู่ความสงบเห็นมักเห็นผลขึ้นมานี่แหละอันนี้คื อ, คอแสงสว่างคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องชี้นำชีวิตของพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรนะท่านเะว่าให้ทรรมเป็นทานชราการให้ทั้งปวงถ้าเราให้อาหาร พอทานอาหารอีมแล้วก็อ่าแล้วก็เพียงแค่นั้นละ่ะให้เสื้อผ้าไปกระหนุ่มหมแล้วก็ก็แล้วไปนะแต่ให้ทำเป็นทานชี้นำทางด้านจิตใจจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐนะิไปอยู่นักสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นถ้าว่าจิตใจของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดทำผิดพูดผิดนะเอออันนั้นน่ากลัวมากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวกว่าจิตที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดถ้าว่าจิตใจมีความเห็นผิดพระพุทธเจ้าาน่ากลัวมากท่านตรัสอย่างนั้นนะท่านบอกอย่างนั้นนะศรัทธาญาโจมเรามาพิจารณาดูจริงถ้าคนมีความเห็นผิดว่าตายแล้วไม่ไม่มีบุญไม่มีบาปหรอกไม่มีบุญไม่มีบาป ไ, ไม่มีนรกสวรรค์ตายแล้วศูนย์ เขาพูดอย่างนั้นเพียงคําเดียวเราจะไปสอนยังไงก็สอนเด็แต่เนี่ยพอเขาปิดปิดหูปิดตาปิดใจของเขาแล้วนะเพราะฉนั้นเขาว่ามิจฉาทิฏฐิคือคํานี้นะมันน่ากลัวมากแต่หากว่าเป็นสัมมาทิฏฐิยังแสวงหาศึกษาใยในการศึกษาไยในการเรียนรู้อยากจะรู้อยู่มันจริงหรือไม่ตายแล้วสูญหรือเปล่าถึงว่มั่นใจเราตายแล้วสูญแต่ว่ามีหนทางไม่จะพิสูจน์ได้ห่า ถ้าหาว่าพิสูจน์ไมได้ข้าพเจ้าเขว่าตายแล้วศูนยเนยเอเพราะเห็นอะไรเพราะว่าข้าพิสูจน์ดูแล้วไม่มีทางพิสูจน์คําของข้าในทนุกทางว่าพิสูจน์แล้วอใช่แต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าตายแล้วศูนแต่พอพิสูจน์เข้าจริงๆนะไม่ใช่ล่ะตายแล้วเกิดอีกตามแนวแถวของพุทธะเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเปิดประตูหรือว่าไฟในการศึกษาเรียนรู้อยู่นะ มันก็มีช่องทางมีหนทางไปได้ไม่ใช่ว่าหัวชนฟ้าทีเดียวไม่เชื่อฟังคํำใครจะเลยก็ไม่น่าจะถูกนะพะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้แล้วนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกที่พระพุทธเจ้าไดจจัตรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนะ่ะท่านได้นั่งสมาธิตอนหัวคนะ่าน่ะปุเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้ ถ้าระลึกถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะระลึกชาติทุนหลังได้ยังไงใช่ไ น, นั่นแหละให้ศึกษาไปท่านทํำยังไงท่านจึงพิสูจน์จุดนั้นได้ท่านจึงพิสูจน์จุดนั้นได้ท่านทําอย่างไรท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารอหายใจเข้าไม่ต้องคิด อดีตถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่นิ่งพอจิตใจนิ่งจิตใจสงบพอจิตใจสงบนิ่งเท่านั้นล่ะกายกับใจเป็นคนละอันกันนะรู้ได้ชัดเลยเท่นะี้ร่างกายเนี่ยคือร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเนี่ยเหมือนกับคนขับรถนามมาำมธรรมตัวรูร้ๆน่ะเหมือนกับคนขับรถเนี่ยมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันคนขับรถกับรถเ มันแยกกันได้ชัดเลยร่างกายรถนี่จะต้องบทสภาพแต่โซเฟอร์รถนี่จะต้องออกจากรถไปหาซื้อรถซื้อรถคันใหม่เองนี่แหละหลวงปู่มั่นท่านจึงบอกว่านามธรรมคือใจดวงนี้เน่เป็นนักท่องเที่ยวตัวยงนะไปไม่รู้ทุกที่ไหนที่ไหนทั่วขั่วโลกนี่ เดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นหมูเป็นมา้าเป็นกาเป็นไก่เป็นสัตว์ที่ไรฉันไปตกนรกหมกใหม่ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปสู่สวรรค์ชั้นผมกลับลงมาอีกมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดจุดนี้เพราะอะไรจึงเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะว่าใจดงนี้มันมีกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในจิตในใจเพราะฉะนั้นจึงเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละโซเฟอร์ตัวนี้แหละมันมีมันมีมนมนงเงินในกระเป๋าอยู่เออมันก่อไปหาเวียนว่ายตายเกิดสมัย เออหมดเงินในกระเป๋าก็เออเอาเออเผอเผอจะไปขโมยของเขาอีกเขาจับเข้าคุกไงคือติดนรกจับเข้าคุกก็ตกนรกอะไรแั้นอ่ะเออพอพ้นออกจากคุกมาแล้วก็น่ยไปทํามาหาเลี้ยงชีพเป็นคนดีเห็นโทษอะไรไปเออเป็นคนดีขึ้นมาก็มีเงินมีคำขึ้นมากัไปสู่สวรรค์เนี่ยลักษณะอย่างนั้นอ่ะพอสวรรค์ขึ้นมากับลืมตัวกินเหล้าเมายาเข้ามาแล้วก็เออไปเตะซ้ายเตะขวาเข้ามาจับเข้าคุกอีกตกนรกนี่แหละ มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละจิตจิตวิญญาณถ้าว่าเราศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธะและจะเป็นลักษณะนั้นคณะศทศไทยญาติโยมลูกหลานลเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าอย่ามากเกิดตีที่สุดเพราะฉะนั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ตั้งใจภาวนาจิตภาวนาตัวนี้แหละจะเป็นหนทางที่พวกเราจะ ปรับปรุงแก้ไขกายใจของเราจนพ้นทุกเนื้วัตตะสงสารถึงจะไม่พ้นทุกกะทะบำเพ็ญไปเรื่อยๆนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเดินไปเรื่อยๆอีกสักวันจะถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางไม่ต้องสงสัยเลยล่ะนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะพิสูจน์ได้นะไม่ใช่ว่าจะตายแล้วศูนย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่พิสูจน์จะเลยไม่น่าจะถูกนะ เออมันมีเกิดอยู่นะพิสูจน์ได้ยังไรฮะข้าพิสูจน์ตามหลักธรรมคาสอนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยล่ะพอพิสูจน์ดูแล้วนะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเออใช่เ อ, อีพระพุทธเจ้าท่านฉลาดจริงพอแม่ครูบายานท่านก็ยืนยันจริงตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะข้าพเจ้าทําจิตใจให้สงบแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเออใช่ ใจกับกายกายกับใจมันเป็นคนลนะส่วนกันจริงๆเน่เมื่อเชื่อมั่นเลยว่าใจตรงนี้เมื่อเอาร่างกายไปเผาแล้วเนะี่ยใจตรงนี้ออกจากร่างนะจะต้องไปเกิดปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดได้ทั้งนั้นจะไปเกิดที่ไหนเพราะกรรมกรรมคือการกระทาเป็นผู้จำแนกเป็นผู้พาไปที่นี่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะอนัตาญาโยมทุกคนนะ จะตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เชื่อบัณฑิตนักปราชญ์เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อองค์หลวงตาเอาไว้หลวงตานั้นไม่โกหกเองไม่ต้มตุนไม่หลอกหลวงใครหรอกเออมีแต่บอกตรงๆงให้ฟังเลยล่ะให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ อ, อพวกเราปฏิบัติตามทำคําสอนขององค์หลวงตาแล้วนะเออพวกเราจะรู้อะไรโอ้โยกมือท่วมหัวเลยเออ ผู้ฆ่าได้เกิดมาพบนี้ชาติที่ไม่เสียชาติเกิดได้พบบัณฑิตนักปราชญ์คือองค์หลวงตาท่านแนะนำสั่งสอนข้าพ เ, เจ้ารู้จักดีรู้จักชั่วบาปบุญคุณโทษมีจริงนี่แหละมันจะเชื่อในจิตในใจของพวกเรานะพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในเสนี้เนะ